เวียนเทียนที่ต้นสีมาหาโพธินะ์เนาะเวียนเทียนที่ต้นสีมาหาโพธิ์แล้วกอ็อาจจะนั่งปฏิบัติกันยุงมีไหมเนี่ย <c oughs> ได้นะที่ต้นโพธิ์เอาซะหน่อยหนึ่งนะไปเวียนเทียนซะหน่อยแล้วก็ปฏิบัติทำที่ต้นโพธิ์แล้วก็กลับมานี่ปฏิบัติทำที่นี่ต่อถือโอกาสช่วงที่พระอาจารย์มีครั้งหนึ่งพระอาจารย์ไป ไปที่อินเดียที่อินเดียแล้วก็เลยพาญาติโยมถือโอกาสปฏิบัติธรรมตลอดคืนตอนนั้นเขายังไม่ห้ามนะหลังจากอาจารย์ไปทาติดกันอยู่ยสองปีเขาห้ามเลยไม่ได้ห้ามเพราะอาจารย์เรามีระเบิดมี คนไม่วางดีเขาไปวางระเบิดก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เเขาก็เลยไม่ให้ค้างคืนเพราะก่อนค้างคืนได้นะเวลาเราค้างคืนที่ใต้โคนต้นสีมหาโพนี่ยมันบรรยากาศมันดีดีเนะี่ยมันเย็นเย็นวันเงียบนะมันเงียบนะไม่ใช่ถนะึงดังอะไรนคนก็เยอะแต่ว่าทุกคนก็พยายามมุ่งมัน่นปฏิบัติของตัวเองมันให้ความรู้สึกดี กรดเราก็เป็นกรดเต็นเราก็ไม่ใช่เต็นใหญ่เนี่ยเต็นนั่งอะ่ะถ้าสำหรับนั่งสมาธิอะ่ะมันก็แบบมันก็ไม่มีแบบถ้ายักนอนก็แบบเปลียนสภาพเลยอะ่ะขดขดเลยนะเพราะว่ายุงที่อินเดียเนี่ยโหดร้ายมากมันสามารถเจาะทะลุทะลวงมุ้งได้ครับจีวงจีวอนนี่มันไม่สนใจมันแทงทะลุหมดเลยมันหิวกระหายมันแบบ มันเด็กอินเดียวิ่งมาขอทานน่ยมันประมาณนั้นเนี่ยเขาบารุง ม, มาตุ้มมากเลยแต่มันให้ความรู้สึกดีเวลาที่เราเราอยู่ในสถานที่ที่เราเวลาเราเลิกถึงว่าวันเนีน้วันนี้เรามาอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เรามาอยู่ใต้ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ในค่ําคืนนั้ น, น, นนะคิดถึงว่าคิดถึงว่า ค, คิดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วเราเรามันจะเกิดความปลื้มใจ ความปื้มอปลื้มใจความสุขใจความอิ่มใจพอปฏิบัติมันก็จะมุ่งมัน่นมุ่งมันปฏิบัตินั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนั่งยกมือสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินเดินเดินเดินเดินเดินสักพักก็กลับมานั่งใหม่นะ ก, ก็ดีนะอาจารย์ดีนะทีนี้ถ้าเราจะมาคืนนี้ก็ ก็ถือว่าเราทำเป็นพุทธบูชากันหน่อยก็ดีเนาะมันจะเหนื่อยล้าไหมอาทิตย์ปิดคอร์สพอดีเลยขับรถกลับบ้านไวเลยอาไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เราซอดแจ้งดีไหมอยู่ได้ก็อยู่นะอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่พูดเผื่อตัวเองไงเนี่ย ว่าที่นอนอาจารย์อยู่ตรงนี้ไงแก้งเดินเข้าห้องน้ำแล้วหายย้อยไปพวกเราอยู่นูนไงเราอยู่นู่นก็ไกลหน่อยออกไปก็ไม่ได้แล้วเห็นลนะนะเวลาที่เราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดแล้วมันมันใช้ความตั้งใจเป็นตัวตั้งดีๆเนี่ยมันให้กำลังเขาเรียกว่าสร้างศรัทธา สร้างศรัทธาสร้างความมุ่งมั่นขึ้นมาเนาะมาก่อนจะไปทานข้าว เ, เรามาจเจริญสติอีกสักรอบหนึ่งเชิญทุกท่านนะเข้าสู่โหมดการปฏิบัติอีกสักหน่อยหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันพุทธบูชากันดีกว่า ในขณะที่เราทำความรู้สึกตัวมีสติในแต่ละครั้งแต่ละครั้งตั้งกรรมฐานขึ้นทีละครั้งทีละครั้งทีละขณะทีละขณะเนี่ยส่วนหนึ่งกรรมฐานในลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่จมเข้าไปในความสงบแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ทำให้เราฟุ้งออกไปข้างนอกจนเกินไป ทำไมมันถึงไม่ทําให้เราฟุ้งออกไปข้างนอกเกินเกินไปครเพราะว่าเรามีฐานเรามีเจตนากับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นตัวเหนี่ยวหลังจิตไว้ไม่ให้ฟุ้งเกินไปในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเพียนเขาเรียกว่ามันขยา่ามันมันตื่นตัวขึ้นถ้าเรานั่งนิ่งโอกาสที่มันจะถูกความง่วงครอบงําง่ายไหม เพราถ้าเราเคลื่อนไหวโอกาสความง่วงจะครอบงำเราก็ยากเห็น ไ, ไหมนะมันก็ป้องกันนิวรณ์ไปในตัวอย่างที่หนึ่งอย่างที่2ป้องกันที่ใจที่มันจะแนบไปทิ่ฐานจนเกินไปซึ่งจะทําให้การดิ่งเข้าสู่ความสงบอีกนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขนัะ้นะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีละครั้งทีละครั้งหรู้สึกกับการเคลื่อนไหวทีละจังหวะทีละจังหวะไปเนะี่ย ตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเ ก, เกิดความไม่ฟุ้งจนเกินแล้วก็ไม่แนบจนเกินจ ะ, จะทำให้เราตื่นรู้ตื่นรู้ทีละขณะทีละขณะไปเพื่งการตื่นรู้ทีละขณะทีละขณะนี่แหละเขาเรียกว่าการทำความสมดุลทำความสมดุลระหว่างสมาธิ ความเพียรเอาการเคลื่อนไหวเป็นความเพียรเข้าใจไหมเอาการเคลื่อนไหวเป็นวิริยพระพละเอาภาวะรู้ที่ใจมันรู้กับการเคลื่อนไหวเป็นสมาธิพละเพราะฉะนั้นสองอย่างควบคู่กันไปจึงก่อเกิดเป็นสมาธิที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจึงเรียกว่าอนันตาลิกะสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิเพื่อการทำวิปัสสนาโดยตรงหรือการตัสรู้ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องสำคัญสมาธิเพื่อการตัสรู้ไม่ใช่อภนาสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิแต่มันเป็นขั้นีิการสมาธิที่ต่อเนื่องอันนี้จึงจะสามารถเข้าถึงการทำวิปัสสนาได้ ถ้าอปนาสมาธินั้นมันเป็นสมาธิที่ดิ่งไปเกินไปมันดิ่งสงบนิ่งเกินไปตรงนั้นไม่เกิดไม่เกิดกระบวนการแห่งการทวิปัสสนาแต่เป็นการ <c oughs> ทำให้จิตมีกำลัง <c oughs> ในรูปของสมถะนั่นเองแต่สมาธิที่เป็นขณะ เป็นขณะเป็นขณะอย่างเงี <at> <white> ้ยหายใจเข้าหายใจออกรู้เนี่ยหายใจเข้ารู้เป็นกรรมฐานหนึ่งครั้งหายใจออกรู้เป็นกรรมฐานอีกหนึ่งครั้งตะแคงมือปั๊บรู้ยกมือปั๊บรู้เนี่ยเป็นกรรมฐานทีละครั้งทีละครั้งกรรมฐานทีละครั้งทีละจังหวะนี่เองที่ทำให้เกิดความต่อเนื่อง ของวิริยพละกับสมาธิพละก็เกิดเป็นคณิกะสมาธิที่ต่อเนื่องขณะขณะไปซึ่งกลายเป็นอนันตาริกาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นลุกโซ่นะมันจะทําให้เกิดการรู้เท่าทันการทํางานของกายการทํางานของจิตแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามได้ทําวิปัสสนาได้ตรงนี้แหละแต่ถ้ามันแน่นิ่งลงไปแบบสมถะมากเกินอย่างอัปนาสมาธิอย่างนี้ มันมันทำวิปัสนาไม่ได้เพราะฉั้นเวลาเขาสายสมาธิสายสมาธิเวลาเขาทําวิปัสนาเนี่ยเขาทําอัปปนาสมาธิก็จริงแต่พอเขาจะทําวิปัสนาเขาต้องให้มันถอยขึ้นมาก่อนให้สมาธิถอยขึ้นมาออกออกจากที่มันนิ่งสงบอย่างนั้นก่อนพอมันถอยขึ้นมาปุ๊บมันเริ่ม มีการเคลื่อนไหวมีการแสดงอาการตรงนี้แหละที่เขาจะใช้การสังเกตเข้ามาทำงานหรือ ว, ว่าทำยกจิตขึ้นสู่การทำวิปัสสนาเนีลักษณะเนี่ยจริงๆไม่ได้ยกบนขึ้นหรอกมันถอยตัวของมันเองนะ เพราะว่าม you know. sure ันก็ไม่เที่ยงอยู่กับอัปนามันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะเออมันก็ถอยออกมาเพราะมันถอยออกมาปุ๊บมันก็แสดงอาการต่างๆให้เห็นพอมันแสดงอาการต่างๆให้เห็นก็ให้เขาก็ให้สังเกตเหมือนกับเราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียเวลาทำสมาธิแบบนั้นมากเกินไปเราแค่ทำความรู้สึกตัวให้รู้ว่าใจอยู่ตรงไหน ใจลงออกจากฐานไปเป็นอย่างไรใจอยู่ที่ฐานเป็นอย่างไรใจลงออกจากฐานมันเป็นอย่างไรใจกลับคืนสู่ฐานได้เป็นอย่างไรเนี่ยสังเกตอย่างนี้มันสังเกตได้เลยเราจึงสามารถทำวิปัสสนาได้เลยอในเวลา <c oughs> จากการที่เราได้ปฏิบัติมาสองวันสามวันแล้วเนี่ยสี่วันนี้เนาะนิยามการปฏิบัติธรรมของหุวงปู่เทียนเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดชัดขึ้นัหมชัดัหยชัดกายแสดงออกในรูปแบบของอิริยาบถเคลื่อนไหวไปมาใจแสดงออกในรูปแบบของความคิด เห็นอาการของกายแสดงความเป็นทุกข์เห็นไหมเห็นสัญญาเข้ามาทำงานในความคิดไหมเห็นสังขารที่มัน ป, ปรุงแต่งต่อไหมเห็นอีเขียวใช่ไหมมีคนาถามว่าอยากเรียนถามพระอาจารย์ความสบายใจคุณใจทางใจ ที่เกิดขึ้นวงล็บโกรธเศร้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นแค่เวทนาที่เจ็ดนาฬิกาหรือเป็นความทุกข์ที่ 12... บสองนาฬกาถ้ามันโกรธมันเศร้ามันอะไรนั้นมันเป็นมันไปไหนแล้วมันสิบสองแล้วเป็นย4่สี่แล้วมันสองรอบสามรอบนะฮะเป็น24นาฬิกาเข้าไปแล้วนะถ้ามันโกรธมันเศร้ามัน ไอ้ตรงเจ็ดนาฬิกาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในใจระบางอย่างเวลาได้ยินเสียงปุ๊บเกิดความพอใจอย่างเงี้ยได้ยินเสียงปุ๊บเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยมีไหมเออมันแค่ความรู้สึกขึ้นมานิดๆในใจเราตรงนั้นเองนะให้เราเข้าใจตรงนี้แยกตรงนี้ให้เป็นนะเพราะถ้ามันถึงเศร้ามันถึงถึงขั้นไปเศร้าถึงขั้นเสียใจถึงขั้น โกรธนะไม่แค่โกรธนะโลภด้วยนะเวลาโลภมันก็เป็นเป็นสิบสองนาิกานะ <laughs> เพราะความโลภมันก็ทำให้เป็นทุกข์ใช่ไหม เ, เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเวลามันอยากได้อะไรพวกมก็ปรุงแต่งอ่ะบางทีเห็นกระเป๋าใบหนึ่งไม่ได้เห็นแค่กระเป๋าเห็นตัวเองถือเรียบร้อยแล้ว <laughs> ใช่ไหมมิยมคนหนึ่งก็บอกเขาชอบมากเลยอ่ะ แกบอกแกตอนนั้นแกบอกแกแกชอบมากเลยแกได้รถคันหนึ่งแกแกเก็บเงินซื้อรถซื้อรถถอยลึกมือแดงป้ายแดงรถเบน์เลยนะแกบอกตอนใจมันอยากได้นี่มันแบบเห็นใจเลยว่าพยายามทำทุกอย่างให้ได้นะพอได้ปุ๊บแนละ้ขับออกจากร้านนะขับออกจากโชว์รูมนะขับพอลงถนนเท่านั้นแหละ เกนะิอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะขับลงถนนเท่านั้นแหละเกิดอะไรขึ้นบางคนบันชนเหรอาจารย์คิดร้ายเกินไปบางคนในแง่ล้ายเกินพอขับลงปุ๊บเท่านั้นแหละความรู้สึกมันจืดเลยครับคุคือรู้สึกว่ามันจืดลงไปเลยอะเฮ้ยไอย้ที่มันแบบว่า มันอยากได้อ่โหมันดิ้นโลนมากเลยอ่ะมันถ้าพอได้มาในครอบครองแล้วมันมันจืดดาทำไงดีวะโยมก็เลยต้องปรุงแต่งต่อว่าเออนะมันก็เหมาะกับเราอยู่มันก็นะมันก็เหมาะกับเรามันก็โอเคปลอดภัยมันนู่นมันนี่เนาะเพื่อจะใช้มันนะอาจารย์แต่อีตอนที่มันคนละอย่างกับไอตอนที่มันมันอยากได้นะ ปรุงแต่งว่ามันเออคนมันมันก็โอเคมันเหมาะกันแล้วมันใช้ดีมันปลอดภัยมันช่วงล่างมันโอเคมันแข็งแรงมันนุ่นมันนี่นะมันไม่ล้าสมัยง่ายสิ่งเหล่านี้ยมันเป็นการปรุงแต่งเพื่อจะใช้มันแต่อีตอนที่ปรุงแต่งอยากจะได้นะพระเจ้ามันคนละมันคนละความรู้สึกใช่ไหมตอนที่มันอยากจะได้นั้นคือเป็นของร้อน มันเป็นของร้อนนะมันปรุงปรุงถ้จ ะ, จะร้อนร้อนโดนจะเอามาพอได้มาปุ๊บเอาจืดเลยวันนี้พอได้มาแล้วมันได้ครอบครองแล้วไงมันก็จะรู้สึกเฉยๆไปแต่พอสักพักหนึ่งมันเริ่มเป็นของร้อนอีกร้อนไม่ไม่ใช่ร้อนเพราะอยากได้นละแต่ร้อนเพราะว่าจะทํำยังไงให้เรารู้สึกว่ามันก็โอเคอะ่ะ เ ล, เ, ลเลยไม่ถึงกันร้อนอุ่นไว้อุ่นอุ่นไปเรื่อยๆอุ่นใช้ไปเรื่อยๆแกเล่าอย่างเงียง้ยเราแล้วา ก, ก็เออก็ดีนะเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ไปสอนเด็กร็จสอนไปเด็กเด็กอเดเด็ ก, ด ก, ด ก, ดกวิธีอะไรเทคนิคพวกเด็กอาชีวะเอามาเข้าคอร์สอาจารย์พออาจารย์เล่าเรื่องนี้จบแล้วเขาโอ oh, พระอาจารย์ ผมฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วผมเซ็งเลยอ่ะบอกทํำไมผมเลยไม่อยากได้มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมกําลังอยากได้อยากได้อยู่อะพออาจารย์บอกพอได้มาแล้วมันจะจืดยผมรู้สึกเลยผมจืดเลยตอนเนี้ยผมจืดล้วแต่ตอนที่ผมอยากได้มันอยากได้อยากได้นะแต่พออาจารย์เล่าเรื่องนี้มาเสร็จผมจืดเลยอ่ะผมรู้สึกเออว่าได้มาแล้วก็ต้องมานั่งมานั่งคิดว่าต้องขใช้ยังไงเออมันจืดเลยอาจารย์บอกเออก็ดีแล้วที่เองรู้สึกอยงั้น คือเขาสามารถมองเห็นว่าเขามองตามเราได้นะว่าเฮ้ยเออใจเรามันร้อนรนอยากได้อยากได้แบบพี่คนนั้นจริงๆเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เริ่มมองเห็นว่าเอ้ยถ้าได้มาอย่างพี่คนนั้นมันนั้นจะจืดเหมือนกันนะเพราะว่าพอมันอยู่ในมือเราปุ๊บมันก็จะจืดนะเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในมือเรานะยังไม่ได้เป็นของเรานะเราก็จะรู้สึกว่ามันมีค่าทีความหมาย มันได้เข้ามาในมันเป็นของตายมันก็เริ่มมองไม่เห็นค่าไม่เห็นความหมายนะเออจะต้องมานั่งปรุงอยู่กันอุ่นกันไปรีบด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทานข้าวกันดีกว่า